ฟังเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งชาวญี่ปุ่นน่าสนใจชื่อเซกินะเซกินี่เป็นเด็กอายุสิบสองรักวิชายูโดโนะอย่างเป็นชีวิตจิตใจวันหนึ่งก็เลยไปขอสมัครเรียนกับอาจารย์ที่เก่งที่สุดคนหนึ่งแต่อาจารย์ไม่รับเซกิก็ไม่ท้อถอยนะคุกเขา่านะอยู่หน้าอยู่หน้าสำนักนี่เป็นวันเลยนะ จนกระทั่งสุดท้ายอาจารย์ก็ยอมรับมาเป็นลูกศิษย์แล้วก็มีเงื่อนไขนะอาจารย์บอกกับเซกิว่าจะสอนแค่คแค่ท่าพื้นฐานให้ส่วนท่าระดับสูงนี่ก็จะสอนให้แค่ท่าเดียวเซกิก็ถามว่าทำไมอาจารย์ก็บอกว่าก็เพราะว่า เด็กมีแขนข้างเดียวอย่างเธอเนี่ยสอนแคนนี้ก็พอแล้วนะเซกิมีแขนข้างเดียวนะแต่อยากเล่นยูโดนะลองนึกภาพนะคนที่แขนข้างเดียวจะเล่นยูโดได้อย่างไรนะแต่ว่าอาจารย์ก็ ก, ก, ก็รับนะเซกิมาเป็นลูกศิษย์แล้วก็สอนสอนท่าพื้นฐานให้จนคล่องแคล่แล้วก็สอนอีกท่าเดียวนะที่เป็นท่าระดับสูงก็เป็นท่าทุ่มนะ ทุ่มอย่างเดียวเลยอย่างอื่นทำไม่เป็นเพราะว่ามีแขนข้างเดียวตอนที่ไปแข่งขันเป็นครั้งแรกในชื่อของเขาเนี่ยพ่อแม่ก็ไปให้กำลังใจนะแล้วก็เตรียมคำปลอบใจไว้สำหรับเซกิพราะคิดว่าเซกิคงแพ้แน่เนะนื่องจากคู่ต่อสู้นี่เขาเป็นคนที่มีร่างกายปกติ บกว่าเซกิชนะนะชนะด้วยได้ด้วยท่าทุ่มท่าเดียวเพราะว่ามีปัญญาทำได้แค่นั้นอาจารย์ก็สอนมาแค่นั้นแหละบอกว่าพอไปอแข่งขันนะนัดต่อไปนะก็ชนะอีกนะชนะด้วยด้วยท่าเดียวนี่แหละคือท่าทุ่มคอยรอจังหวะ พอคู่ต่อสู้เผลอนี่ก็ทุ่มเลยนะเราต้องทุ่มให้ได้ครั้งเดียวแค่จังหวะเดียวก็ใช้ท่านี่แหละนะเป็นไม้ตายหากินเพราะว่าทำได้ท่าเดียวบอกว่าชนะนะชนะเข้ารอบลึกไปเรื่อยๆมาลุ้ตัวอีกทีก็เข้ารอบชิงชนะเนลิศละคู่ต่อสู้นี่เป็นอ า, อายุมากกว่าตัวสูงกว่าแข็งแรงกว่า ไม่ต้องพูดถึงว่ามีมือสองข้างนะใครก็คิดว่าเนี่ยเซกิคงแพ้แน่แต่เซกิก็สิ่งที่เซกิทำได้ตลอดการแข่งขันคือคอยหลบนะหลบคอยระวังไม่ให้อีกฝ่ายนึงทำอะไรกับตัวเองแล้วพอคู่ต่อสู้เผลอเซกิก็ใช้ท่าไม้ตายนะคือท่าทุ่มก็สามารถจะ ล้มคู่ต่อสู้ได้โอ้ก็ดีใจกันใหญ่เลยนะเซกิก็มาขอบคุณอาจารย์นะและอาจารย์ก็คนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเซกิแขนนะมีแขนข้างเดียวนะแล้วก็ไม่มีประสบการณ์มากเรียนวิแคเรียนแค่วิชาเดียวนะหรือท่าเดียวคือท่าทุ่มชนะได้อย่างไรก็มีคนไปถาม รวมทั้งเซกิเองก็ถามอาจารย์ว่าผมชนะได้อย่างไรอาจารย์ก็อธิบายว่าไอ้ท่าทุ่มของเธอเนี่ยนะมันจะแก้ได้เนี่ยมีวิธีแก้วิธีเดียวก็คือจับมือซ้ายแล้วก็ยึดมาแล้วก็เหวี่ยงแต่ว่าเซกิไม่มีมือซ้ายไม่มีแขนซ้ายนะเพราะฉะนั้นคู่ต่อสู้ก็เลยทําอะไรเซกิไม่ได้นะ ก็กลายเป็นว่าจุดอ่อนจุดอ่อนที่สําคัญที่สุดของเซกิคือการที่ไม่มีแขนนี่กับกลายเป็นจุดแข็งนะเพราะว่าไม่สามารถจะแก้ท่าทุ่มของเซกิได้เลยนะคู่ต่อสู้เนี่ยเพราะว่าไม่มีมือซ้ายให้ไม่มีแขนซ้ายให้จับนะเพื่อที่จะแก้ท่านี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะคู่ต่อสู้จะเก่งแค่ไหน ก็ไม่สามารถจะทําอะไรเซกิได้ถ้าว่าเซกิจะทุ่มเมื่อไหร่นี่ก็ก็ต้องโดนทุ่มมันนั้นนะไม่สามารถจะแก้ท่านี้ได้อันนี้ก็ให้ค่อคิดที่ประทับใจหลายอย่างนะท่านในแง่ของความเพียรพยายามนะของเด็กคนหนึ่งซึ่งพิการแต่ว่าก็ภาคเพียรจนกระทั่งสามารถจะเป็นแชมป์ยูโดได้และขณะเดียวกันก็ชี้เห็นว่า ความพิการของเขาเนี่ยนะคือการที่ไม่มีแขนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่จุดอ่อนนะแต่มันสามารถจะเป็นจุดแข็งได้ด้วยจุดอ่อนกับจุดแข็งนี่มันมาด้วยกันนะไม่มีจุดอ่อนอะไรที่เป็นจุดอ่อนล้วนๆมันเป็นจุดแข็งในตัวเหมือนกับสั้นกับยาวเนี่ยสั้นกับยาวมันอยู่ด้วยกันไม้บรรทัดมันสั้นเมื่อเทียบกับไม้เมตรนะแต่มันยาวเมื่อเทียบกับดินสอสิ่งที่ตรงข้ามกันมันจะอยู่ด้วยกันเสมอ สั้นกับยาวขาวกับดำนะจุดนอนกับจุดแข็งก็อยู่ด้วยกันอยู่ที่ว่าจะใช้ให้เป็นหรือเปล่าคนตาบอดเนี่ยนะก็มีจุดแข็งก็คือว่าผัสสะการรับรู้ส่วนอื่นนี่เขาจะเนียบมากเขาจะคมมากเช่นเขาจะฟังเสียงได้ดีสามารถจะจำแนกอารมณ์ของคนพูดได้ แล้วหูเขาก็ดีมากมีคนตาบอดคนตาบอดหลายคนเนี่ยที่เขาเดินได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไม้คลำทางเลยเข้อเพียงแตกกระดอกลิ้นกระดอกลิ้นเนี่ยให้เป็นเสียงเสียงที่ส่งออกไปเนี่ยมันจะเหมือนกับมันเหมือนกับเรดาร์ถ้ามีอะไรขวางหน้าเขามันก็จะสะท้อนกลับมาที่หูเขาแล้วเขาก็จะรู้ว่าข้างหน้าเขากี่เมตรนะมีเสา หรือว่ามีคนอยู่สามารถจะจำแนกสิ่งที่อยู่ข้างหน้าได้ว่าเป็นเสาเป็นรถหรือเป็นคนแล้วก็จำแนกได้ว่าระยะทางมันอยู่หน้าเขาเท่าไหร่คนธรรมดาทำไม่ได้นะแต่คนตาบอดทำได้เคยเห็นนะคนตาบอดขี่จั ก, กรยายนะโดยใช้วิธีการกระดกลิ้นนี่แหละนะนะเพราะนั้นนี่ก็ไม่ตายจากข้างคขาเลยนะ ส่งเสียงโซ น, น่าออกไปแล้วก็สะท้อนกลับมาเขาทำอย่างนั้นได้อย่างไรนะก็ทำ ง, งั้นได้เพราะว่าไอ้สมองส่วนที่รับรู้ภาพเนี่ยพอมันไม่มีภาพให้สมองได้ทางานสมองก็เปลี่ยนไปไปทางานไปเสริมไอตระนัด้านอื่นไปเสริมอวัยวะหรือว่าส่วนที่รับรู้ด้านเสียง เสียงนี่เขาจะจาแนกได้ไวมากนะก็ไม่น่าเชื่อนะว่าคนตาบอดนี่เขาสามารถที่จะขี่จักรยานเขาสามารถที่จะเดินโดยที่ไม่ไปชนอะไรเลยเพียงเพราะว่าอาศัยเสียงที่สะท้อนกลับมาที่หูเขาเท่านั้นแหละอันนี้ก็เรียกว่าจุดอ่อนของแต่ละคนนี่มันสามารถจะกลายเป็นจุดแข็งไปในตัวนั่นอยู่ที่ว่าเราจะสามารถจะใช้จุดอ่อนนั้นให้เกิดเป็นประโยชน์ได้หรือเปล่านะคนพิการก็ดีคนที่ ยากจนก็ดีพวกนี้เราก็มองว่าเป็นจุดอ่อนนะแต่ว่าไอ้จุดอ่อนเหล่านี้เนี่ยมันสามารถจะกลายเป็นจุดแข็งได้นะคนยากจนนี่เขาก็มีจุดแข็งของเขาคือเขาจะรู้จักพึ่งตัวเองเขาจะมีความเพียรสูงก็จะมีความอดทนสูงนะและความเพียรความอดทนนะ ไม่ไม่ไม่ท้อแท้อะไรง่ายๆรวมทั้งการรู้จักทําใจด้วยเนี่ยมันเป็นจุดแข็งของเขาเลยซึ่งคนรวยๆอาจจะทําไม่ได้เพราะว่าอยากได้อะไรก็มีหมดอยากได้อะไรก็ได้ทันใจนะไม่รู้จักรอคอยไม่รู้จักทําความเพียรนะแล้วก็ไม่รู้จักทําใจเมื่อไม่ประสบความสําเร็จหรือเมื่อไม่เป็นดั่งใจ การที่คนเราเจออะไรที่ไม่เป็นดั่งใจแล้วก็รู้จักทําใจได้นี่ถือว่าเรากําลังพัฒนาจุดแข็งขึ้นมาในตัวให้รู้จักอดทนนะให้มีความเข้มแข็งกนะ็ฟังเรื่องราวเซกิเอาหน้แล้วก็เอาลองมาใช้กับตัวเราเองดูเวลาที่เราสูว่เรามีมีข้อบกพร่องเรามีจุดอ่อนเนี่ยเออเราจะทําให้มันเป็นจุดแข็งได้อย่างไรเอาล้วเตรียมรับพน